หัวข้ออาณาปานาสติอย่างย่อสําหรับมือใหม่ฉันศึกษาอาณาปานาบัพของหมวดกายในสติปัฏฐานหรือที่สามารถแยกออกมาเป็นสูตรต่างหากโดยพิสดารชื่ออาณาปานาสติสูตรเห็นว่ามีความลุ่มลึกและต้องยอมรับว่าตอนกลางถึงตอนท้ายสูตรค่อนข้างเข้าใจยากสําหรับมือใหม่ ฉันจึงคัดเฉพาะส่วนที่สามารถอ่านแล้วเข้าใจได้ทันทีไว้ปฏิบัติเพื่อให้จับได้เป็นชิ้นเป็นอันไม่สเปะสะปะพลาเเลือนฉันเห็นว่าหลักการง่ายๆสำหรับมือใหม่ฝึกรู้ลมหายใจมีดังนี้หนึ่งมีสติหายใจออกมีสติหายใจเข้านั่นคือให้แน่ใจว่า ยกสติขึ้นจับลมหายใจสัก่อนเป็นอันดับแรก 2. ถ้าหายใจยาวก็รู้ชัดว่าหายใจยาวทั้งขาออกและขาเข้า 3. ถ้าหายใจสั้นก็รู้ชัดว่าหายใจสั้นทั้งขาออกและขาเข้าสี่ ทำจิตตนเองให้อยู่ในฐานะผู้รู้ผู้เฝ้าดูว่าสายลมหายใจที่กำลังปรากฏมีสภาพใดที่แรกฉันก็สงสัยว่าจะเอาอะไรวัดว่ายาวหรือสั้นพอลองหายใจดูสองสามทีก็สรุปกับตัวเองว่าเอาความรู้สึกนั่นเองเป็นตัวบอกกล่าวคือ ถ้าลากลมยาวสบายปอดหรือเรียกหายใจได้ทั่วท้องท้องพองออกจนสุดโดยไม่เกรงอย่างนั้นเรียกลมยาวแต่ถ้าดึงเข้าได้แค่พอผ่านไปครึ่งหนึ่งยังมีอาการหนีบหรือเกรงช่วงอกช่วงท้องอยู่อย่างนั้นเรียกลมสั้นอาจเปรียบเทียบกันครั้งต่อครั้งก็ได้พูดง่าย คือดูว่าลมครั้งนี้ยาวหรือสั้นกว่าลมครั้งก่อนเมื่อตกลงใจยึดอานาปานาสติเป็นราวกะถือว่าการปล่อยราวกะคือการล้มลูกคลุกคลานฉันก็ได้คำตอบในทันทีว่าจะกระทาจิตให้มีคุณภาพพร้อมรู้ชัดเจนได้อย่างไรถ้าจิตอยู่ในฐานะผู้รู้ผู้เฝ้าดูลมหายใจได้ตามจริง ว่ากำลังเข้าหรือออกกำลังยาวหรือสั้นเห็นอย่างปกติเป็นอัตโนมัติอย่างนั้นถือว่าบรรลุเป้าหมายแรกและได้องค์ที่หนึ่งของโพชฌงค์คือสติ